บทสวดชัยปรริษ์มหาการุณโกนาโถหิตายะสัพพปานิหนังปูเรตวาปารมีสั พ, พาปัตโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนะสัจวัตเชนะโหนตุเตชัยะมังคลังผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายประกอบแล้วด้วยพระมหากรุณาอย่างบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็ม เพื่อประโยชน์แก่สัรพสัต ท, ทั้งหลายได้บรรลุสัมโพธิญาณอันอุ ด, ดมแล้วด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ขอชัยยะมงคลจงมีแก่ข้าพระเจ้าชยันโตโพธิยามูเลสักกานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชยโยโหหิชยัะสุขชัยยะมังคะเลอปราชิตะปัลังเก สีเสปตะวิโปขเรอภิเสเกสัพพุทธานังอักขปัตโตปะโมทติขอข้าพเจ้าจงมีชัยชนะเหมือนพระจอมุนีทรงชนะมารที่โคนโพธิพฤกถึงความเป็นเลิศดในสัพพุทธาพิเศกทรงปราโมทอยู่บนอัปราชิตบาลังอันสูงเป็นจอมหาปัตพี ทรงเพิ่มภูนความยินดีแก่เหล่าปยุรยา่าศักยวงศ์นั้นเทินสุนักขัดตังสุมังคลังสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุโตจสุยิฐถังพระมจาริสุปัทถินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปัทถินังปัทถินังมโนกรรมมังปณิธีเตปัทถินาปัทถินานิกัตตวานะ ละพันตัดเถปทักคีเนเวลาที่สัตว์ประพฤติชอบชื่อว่าเรกดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดีครูดีบูชาดีแล้วในพรหมจารีบุคคลทั้งหลายกายกรรมเป็นประทักษิณวจีกรรมเป็นประทักษิณมโนกรรมเป็นประทักษิณความปรารถนาของท่านเป็นประทักษิณ สัตว์ทั้งหลายทากรรมอันเป็นประทักษิณแล้วย่อมได้ประโยชน์ทั้งหลายอันเป็นประทักษิณภระวตุสัพพังลังรักขันตุสั พ, พเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเตขอสัพพะมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้าด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ข้าพระเจ้าทุกเมื่อเทินภาวะตุสัพท์พระมังคลังรักขันตุสัพท์พระเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตขอสัพพะมงคลจงมีแก่ข้าพระเจ้าขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาข้าพระเจ้าด้วยอนุภาพแห่งพระธรรม ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเทินภะวะตุสัพท์ผ้ามังคลังรักขันตุสัพท์เทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะสทาโสถีพระวันตุเตขอสัพพะมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้าด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเทิน